สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะกลับมารับฟังเรื่องราวที่น่ากลัวแต่ว่าบีเองขออนุญตบบนาตเล่าแบบไม่น่ากลัวเล่าแบบ เป็นตัวของตัวเองก็แล้วกันนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบชัดเจนแล้วก็ฟังแบบสบายๆฟังได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถส่งเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวโดยที่ไม่ไปก๊อฟใครเข้ามานะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เอามาจากทางเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าได้ยินได้ฟังมาส่งเข้ามาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันนะคะทาง Facebook แฟนเพจพระเจอผีค่ะ เรื่องแรกเป็นเรื่องสั้นๆเลยนะจากคุณท็อปนะฮะบอกว่าชอบรายการนี้มากเลยครับติดตามมาใน YouTube ตลอดเลยคืออยากจะเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคือคุณท็อปเนี่ยเป็นคนชนบทก็คืออยู่ในต่างจังหวัดนั่นแหละซึ่งเวลามีงานบุญเนี่ยก็จะมีหมอลำนะคะนานๆจะมีทีนึงแล้วก็คุณท็อปกับเพื่อนคนหนึ่งไปเที่ยวงานหมอลำคือไปเที่ยวจนตี3แล้วเกิดง่วง ก็เลยชวนเพื่อนกันกลับนะคะเพื่อนกลับกันระยะทางจากงานกลับมาที่หมู่บ้านนี่ก็ห่ากงกันประมาณสามกิโลค่ะแต่ว่าจะมีอยุดจุดหนึ่งนะตรงทางโค้งเนี่ยมันจะเป็นทางสามแพ่งคือตรงหลุดคอสะพานมามันจะเป็นบ้านสอสอเก่าที่ปล่อยทิ้งร้างมานานมากคือจุดนั้นเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุบ่อยมากค่ะคือมีคนตายตายคาที่แทบทุกรายเลย เรื่องของเรื่องคือขับรถกลับบ้านพอใกล้ถึงตรงนั้นนี่เห็นน้องผู้หญิงเดินอยู่คนเดียวด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนา ะ, นะก็เลยอยากให้เพื่อนนี่จอดรถเพื่อที่จะถามแต่ว่ารถเนี่ยยังไม่ได้ปิดสวิตช์เลยค่ะรถดับก็คือกะว่าจะเอาไฟส่องไฟโคมนี่แหละส่องนะคะแล้วก็ถามว่าจะไปไหนเพราะว่ารถมันดับแล้วไม่มีไฟนะคะจะให้ไปส่งไหมแต่ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบค่ะก็เลยเข็นรถตามไปใกล้ๆเพื่อที่จะอยากรู้จัก สักพักหนึ่งน้องเ้าหันมาคือมองไม่เห็นหน้าเลยนะไม่ใช่มันมืดนะคะแต่ว่ามันไม่มีตาไม่มีคิ้วไม่มีปากไม่มีจมูกเลยทั้งสองคนนี้แหละค่ะที่เป็นคุณท็อปแล้วก็เพื่อนเนี่ยไม่อยู่ล่วะวิ่งอย่างเดียวเลยจนเพื่อนเนี่ยเข็นรถที่แบบว่ารถมอเตอร์ไซค์หนักๆเนี่ยนะคะสามารถเข็นแซงคนที่ไม่ได้เข็นอะไรได้นี่คือความกลัวนะคุณผู้ฟังนะเรื่องสั้นๆแต่ว่าน่ากลัวพอสมควรค่ะขอบคุณคุณท็อปด้วยนะคะ เป็นเรื่องแรกค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังแต่ว่าอาจจะสั้นนิดหนึ่งนะคะทีนี้สำหรับใครที่ติดตามเรื่องของคุณทิวาทิตหรือว่าเรื่องของคุณไผ่ถ้าจำกันได้นะขอย้อนความเดิมตอนที่แล้วให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนคือคุณไผ่เนี่ยอยู่กับน้องชายอยู่ที่บ้านเพียงแค่2คนแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดคือคุณอาเสียชีวิตเพิ่งจะจัดงานศพเสร็จไปได้ไม่นานพ่อกับแม่ต้องลงไปทางานที่กรุงเทพนะคะ น้องชายของคุณไผ่นเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องไปนอนกับตาค่ะเพราะว่าตาเนี่ยอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ถัดกันไปโดยคุณไผ่ก็ต้องนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวด้วยความที่ว่าแม่นี่เป็นห่วงว่าบ้านเนี่ยมันจะมีโจรมีขโมยมาขึ้นแต่ว่าคุณไผ่ก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าจะมีในโลกใบนี้นั่นก็คือผีค่ะเจอผีมาเลยเป็นผู้หญิงนะคะ คุณไผ่เองก็ไม่รอช้าละค่ะกระโดดลงจากบันไดโดยที่ไม่ต้องนับขั้นบันไดให้มันยุ่งยากเสียเวลานะคะแล้วก็ไปอยู่กับคุณตาค่ะเรื่องที่คุณไผ่ส่งเข้ามาเป็นตอนจบนะคะก็คือชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยเขาโจดขานกันคืนที่ห้าที่หน้าแดงหนะเขยของคุณไผ่เนี่ยแกอาสาว่าจะมานอนเป็นเพื่อนแกก็เป็นคนแบบค่อนข้างจะขี้กลัวนะแต่ว่าก็อยากจะรู้อยากจะเห็นนะคะก็บอกว่าไผ่คืนนี้นะจะไปนอนด้วยแกก็พูด คุณไผ่ก็บอกเอาจริงเหรอนะเออคืนนี้นาจะเลี้ยงเล่าเองไม่ต้องกลัวระดับน้าแดงแล้วแน่มีคุยด้วยเอาก็เอาอะคุณไผ่ตอบไปเอาก็เอานะคะตกเย็นน้าแดงก็จัดย า, าธาตุนักเลงม า, าเพื่อย้อมใจกันก่อนพอได้เวลาประมาณ3ามทุ่มเตรียมตัวเตรียมใจกันละค่ะสองคนน้าหลานก็เดินจากบ้านของคุณตาเนี่ยมาที่บ้านของคุณไผ่ตอนกลางคืน คือทางบ้านของคุณไผ่นี่บอกว่าน่ากลัวมากนะคือหน้าบ้านจะมีต้นขนุนหลังบ้านก็มีต้นมะพร้าวสมต้นใบมันยื่นขึ้นมาจนถึงหลังคาบ้านข้างบ้านเนี่ยเป็นต้นมะกอกที่เขาไว้ใส่ส้มตำกันบรรยากาศนี้ได้ใจจริงๆค่ะเราเดินขึ้นบันไดเข้ามาห้องนอนณแดงก็เปิดทีวีเพื่อความอุ่นใจส่วนตัวคุณไผ่นะไม่ได้กลัวอะไรมากมายหรอกผีเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวความมืดมากกว่า โดนหน้าแดงเนี่ยก็เปิดประตูปิดประตูนะคะขอโทษแต่ว่าปิดประตูไม่สนิทเหลืออ้าไว้สักสองคืบคุณไผ่เองก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งตัวลงนอนทันทีนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะคะไม่ถึง10นาทีค่ะหน้าแดงคว้าแขนดึงขึ้นอย่างแรงแล้วบอกว่าไผ่วิ่งไผ่แล้วก็ลากคุณไผ่เนี่ยลงวิ่งจากบ้านเนี่ยนะคะวิ่งลงบันได วิ่ง300เมตรในตำนานถึงบ้านตาเลยนาแดงถึงกับนอนแผ่นะคะทีนี้ตาก็มาถามบอกเป็นอะไรอีกล่ะนาแดงก็เลยเล่าว่าตอนที่กำลังนอนเนี่ยประตูมันอ้าอยู่แกเห็นคนวิ่งผ่านหน้าประตูไปคือระยะห่างจากประตูถึงที่นอนประมาณเมตรครึ่งแกก็เลยจ้องดูที่ช่องว่างตรงประตูนะ มันมีมือสองมือค่ะมาเกาะขอบประตูแล้วก็โผล่หน้าออกมามองคือประจันหน้ากันกับหน้าแกแกจําได้เลยว่านั่นแหละคืออาทองค่ะอาที่เพิ่งทําบุญไปให้ไม่กี่วันนี้เองหลังจากคืนนั้นนาแดงไม่กล้ามานอนแล้วแกบอกว่าจ้างเป็นแสนกูก็ไม่ไปนอนแกบอกแบบนี้นะคะก็ต้องโทรไปบอกพ่อกับแม่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วกลับมาด่วนเลยอีกสองคืนก่อนที่แม่กับพ่อจะกลับมาคุณตาเนี่ยก็อาสามานอนเป็นเพื่อน ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแต่ว่าสองคนตาหลานนอนอยู่ข้างล่างนอนอยู่ตรงในห้องครัวตาท่านก็มีวิชาพอตัวแล้วค่ะคาถาที่คุณไผ่สวดคุณตาก็สอนให้ไว้ป้องกันตัวพอพ่อกับแม่มาถึงทุกอย่างก็เฉลยเอาอากับอเขยนะคะที่เสียชีวิตไปทั้งสองคนเนี่ยคือพอเผาเสร็จแล้วด้วยความรักน้องพ่อก็เลยเอาเท่ากระดูกของทั้งสองคนเนี่ย เอามาไว้ในตู้โชว์โดยเอารูปหน้าศพ บ, บังเอาไว้แล้วตู้เนี่ยมันอยู่หน้าห้องนอนของคุณไผ่เมื่อคุณไผ่เดินเข้าห้องก็จะเห็นรูปอาทั้ง2คนเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลยนะคะแล้วก็เท่ากระดูกของย่าที่อยู่บนหิ้งพระอีกแม่รู้แม่นิดดา่าพ่อชุดใหญ่เลยว่าเกิดรูปช็อกตายทํำยังไงวันหลังมานะคะพ่อก็เอาเท่ากระดูกทั้ง3าคนเนี่ยมาไว้ที่กําแพงวัดแล้วก็ทําสังฆทานทําอะไรเสร็จสัรพเรียบร้อยทุกอย่าง ทุกอย่างก็เป็นปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่าแม่มาอยู่บ้านไม่ไปกับพ่อแล้วนะคะแต่ว่ายังมีแบบเล็กๆน้อยๆพอให้ตื่นเต้นอีกเยอะนะคะไม่นับรวมกับเรื่องนี้เรื่องของคุณไผ่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังเรื่องอื่นๆต่อไปของคุณไผ่ก็แล้วกันเนี่ยบีนั่งอ่านไปเล่าไปบีก็ลุ้นไปคือจินตนาการภาพนะคุณผู้ฟังต่างจังหวัดมื ด, มด ไฟฟ้าก็ดับกันหมดแล้วทุ่มสองทุ่มเขาก็นอนกันหมดแล้วนะคะต่างจังหวัดเนี่ยมันมีคนวิ่งผ่านประตูไปแล้วก็เอามือมาเกาะประตูนะเอาหัวยื่นเข้ามานะแล้วพอเราเห็นหน้าชัดๆเนี่ยหูรู้ว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วก็คือญาติพี่น้องเรานี่แหละที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่ น่ากลัวพอสมควรนะไม่ใช่พอสมควรสิต้องบอกน่ากลัวมากค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณไผ่ส่งเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจพระเจอผีให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของชาวบ้านเหตุเกิดที่หมู่บ้านชนบททางภาคเหนือนะคะมีหมู่บ้านหนึ่งที่มีทุ่งนาติดกันกับภูเขาค่ะ ซึ่งปกติแล้วคนชนบทตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยจะชอบออกไปหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวในเวลากลางคืนเพราะว่าอากาศไม่ร้อนแล้วก็เป็นเวลาของสัตว์ต่างๆออกหากินด้วยแต่ว่าเรื่องมีอยู่นะคะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยได้มีหญิงสาววัยกลางคนคะ่ะได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในทุ่งนาของตัวเองที่ติดกับหมู่บ้านแล้วก็การเผาศพในสมัยก่อนนั้นจะทาการเผาศพคนตายในที่ดินตัวเองด้วย ความเชื่อที่ว่าจะได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นอีกในชาติต่อไปและก็เหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อทําการเผาศพคนตายเสร็จชาวบ้านต่างก็ได้ยินเสียงสุนัขในหมู่บ้านเห่าหอนทุกคืนโดยเฉพาะบริเวณใกล้ที่เผาศพจะเห่าหอนโหยหวนเสียงดังมากถ้าวันไหนเป็นวันพระจะมีชาวบ้านบางคนเนะะี่ยคะเห็นคล้ายกับมีผู้หญิงผมยาวจรดพื้นตัวดำทะมึนทึนเลยล่ะยืนอยู่ใต้ต้นไม้ มีดวงตาแดงกล่ํหน้าสยดสยองต่อคนที่พบเห็นยิ่งนักจนชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าไปออกหาปูหาปลากินในเวลากลางคืนอีกเลยและเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครกล้าไปหาปูหาปลาบริเวณนั้นนะคะก็ทำให้เป็นที่รวมของปูปลานาหนูชนิดต่างๆมากมายละค่ะ และแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันเวลาที่เนิ่นนานออกไปเรื่อยๆก็ทำให้ผู้คนเนี่ยลืมเลือนเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้มีแม่ลูกอ่อนไปหาปูหาปลาและในคืนนั้นเองค่ะเป็นคืนที่ฟ้ามืดสนิทมีฝนตกโปรยฟ้าร้องคำรามดังเป็นระยะแม้ลูกคู่นี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพราะต้องการทาเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบครัวก็เดินหาส่องปูส่องปลาไปเรื่อย จนมาถึงที่ที่มีปูปลาเยอะมากค่ะแม่ก็ได้ก้มสองหาจับปลาในขณะนั้นเองแม่ก็ได้ห่างลูกไปสักระยะหนึ่งแต่ทันใดนั้นเองลูกชายที่มีอายุไม่มากนักก็เหลือบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ต้นไม้พอมองไปก็คล้ายกับว่าเป็นผู้หญิงก็เลยถามออกไปว่าหาปลาได้เยอะไหมครับพอถามเสร็จค่ะผู้หญิงคนนั้นก็หายไปในความมืดแต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่เอะใจก็หาปลาต่อไปเรื่อย นึกว่ามีคนมาหาปูปลาเหมือนกันกับตัวเองแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานลูกก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกก็ถามไปว่าไปไหนมาครับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พูดแล้วก็หายไปกับความมืดอีกทีนี้ผู้เป็นแม่ก็เริ่มสงสัยค่ะส่องไฟไปหาลูกก็ไม่เห็นมีอะไรก็หาปลาต่อแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือเริ่มหาปูหาปลาขยับมาใกล้เพราะว่ามีความระแวงประกอบกับบรรยากาศมันเริ่มวังเวงแล้วก็มีลมพัดโชยเย็นจากที่เคยตกเปรย์ปรยก็เริ่มหยุด เสียงฟ้าร้องก็หายไปจากที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องทีนี้เปลี่ยนเป็นเสียงหมาหอนขึ้นมาแทนค่ะและในขณะนั้นเองลูกก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่เดิมก็ถามไปเหมือนเช่นเคยไปไหนมาครับแต่ทีนี้เมื่อผู้เป็นแม่เข้ามาใกล้ลูกก็เกิดความสงสัยแม่ก็เลยถามลูกว่าคุยกับใคร ลูกชายก็ได้แต่อ้ำอึง้งไม่พูดอะไรแต่ชี้มือชี้ไม้ไปทางต้นไม้น่ะนะคะเพียงแค่แม่เงยหน้าสองไฟไปตามมือของลูกที่ชี้ไปแค่นั้นแหละค่ะแม่ถึงกับอ้าปากร้องตะโกนแบบไม่มีเสียงปากสั่นตาค้างเริ่มชี้ขึ้นฟ้าผมเนี่ยนะคะเริ่มชี้ขึ้นฟ้าขนลูกทั้งตัวแล้วเข่าแทบสุดลงกับพื้นเพราะว่าสิ่งที่แม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่คน สิ่งที่เห็นคือผู้หญิงผมยาวจรดพื้นมีดวงตาแดงกล่ำเน่าเฟะมีแต่หนอนไต่ยัวเยี้ยเต็มไปหมดแสดงอาการเหมือนห่วงแหนปูปลาที่ตัวเองเฝ้ามานานแม่ก็ตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกค่ะลูกก็ได้แต่ยืนมองอาการแม่ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เขย่าตัวแม่สักพักหนึ่งผู้เป็นแม่ก็เริ่มมีสติ แต่ว่าในขณะนั้นเองก็กระชากแขนลูกอย่างแรงค่ะซึ่งลูกก็โตพอสมควรแล้วแต่ว่ายังโตไม่มากแค่นั้นเองนะคะซึ่งแทนที่จะให้ลูกเนี้ยเดินแต่ผู้เป็นแม่ได้อุ้มลูกเดินเร็วสลับวิ่งสุดชีวิตโดยที่ไม่หันกลับมามองที่ต้นไม้ใหญ่อีกเลยพอถึงบ้านก็บอกกับครอบครัว ว, ว่าโดนผีหลอกแล้วก็หมดแรงนอนไข้จับสันด้วยอาการกลัวที่สุดเท่าชีวิตที่เคยเห็นมา พอรุ่งเช้านะคะครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านก็ได้นิมนต์พระมาทำพิธีปัดรังควานแล้วก็ได้นิมนต์พระไปทำพิธีทางาศาสนาที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ได้ทำการตัดต้นไม้ต้นนั้นออกไปนับตั้งแต่นั้นมานะคะก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยค่ะซึ่งทุกวันนี้เรื่องราวลี้ลับแบบนี้นี่ยังมีให้เห็นแล้วก็ยังมีให้ได้ยินในหมู่บ้านชนบททุกๆภาคของประเทศไทยเรานะคะ เดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องต่อไปกันเลยนะคะเป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านค่ะโดยคุณเอิญคุณเอิญบอกว่าอยู่กับแฟนแล้วก็ได้เช่าบ้านหลังหนึ่งนะคะแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็เช่าอยู่ในราคา 20,000 บาทค่ะบ้านหลังนี้มีรูปแบบบ้านที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นก็คือถ้าตรงกลางบ้านนี่คือโลง่งขึ้นไปถึงหลังคาบ้านเลยนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้มีสี่ชั้นรวมชั้นดาดฟ้า ซึ่งบนดาดฟ้าเนี่ยก็จะมีสารเพียงตาอยู่ด้วยคือเป็นสารพระภูมินี่แหละนะคะซึ่งพอเราทราบมาก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมาเช่าบ้านหลังนี้ว่างอยู่เกือบ2ปีหลังจากที่ย้ายครอบครัวเข้ามาเป็นช่วงที่ตรงกับฟุตบอลโลกพอดีเลยคืนที่2ค่ะหลังจากย้ายบ้านเข้ามาทุกคนในบ้านหลับหมดแล้วเหลือเพียงแค่น้องชาย ซึ่งน้องชายเองเนี่ยนะคะก็กำลังนั่งดูบอลโลกอยู่เลยจนกระทั่งฟุตบอล น, นี้จบค่ะช่วงเวลาประมาณตี2ครึ่งน้องก็ได้เดินจากชั้นสองซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นกลับเข้ามานอนที่ห้องของตัวเองระหว่างทางที่เดินผ่านที่พักบันไดน้องชายไม่ได้เปิดไฟทางเดินมีแค่ไฟสลัวตรงหน้าต่างนะคะน้องชายได้ยินเสียงผู้หญิงสองคน ค, คุยกันตรงหัวบันไดประมาณว่า ผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงแต่ว่าน้องเราเนี่ยคือคิดว่าเออหูฝาดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องแบบนี้ก็เลยเข้านอนตามปกติค่ะจนหลับไปได้สักพักหนึ่งน้องชายบอกรู้สึกเหมือนมีคนมาลากขาลงจากที่นอนค่ะน้องกลัวมากก็เลยรีบมาเคาะห้องขอ น, อนอนกับแม่หลังจากคืนนั้นน้องก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านเดิมคือไม่มานอนที่นี่อีกเลยทีนี้คุณเอิญบอกว่ามาพูดถึงห้อ ง, องคุณเอิญบ้าง คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะภาพของห้องนี้คือจะมีห้องน้ำที่มีชักโครกที่เวลาเงยหน้าขึ้นไปจะมีหน้าต่างกระจกสามารถมองขึ้นไปแล้วก็เจอกับสารตรงชั้นดาดฟ้าพอดิบพอดีคุณผู้ฟังคิดเอวเองเถอะคะ่ะเราไม่กล้าทำทุกหนักตอนกลางคืนกันเลยทีเดียวบอกได้ว่าน่ากลัวมากไม่สามารถข่มตาหลับในห้องนอนในเวลานอนคนเดียวแม้แต่ครั้งเดียวเลย มีความรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเหมือนอจะบอกว่าเพื่อนที่มานอนด้วยที่บ้านเนี่ยก็เหมือนโดนผีอำทุกข์ได้ไม่เว้นแม้แต่ตัวของคุณเอินเองเนี่ยค่ะที่โดนเกือบทุกวันจนปัจจุบันนี่คือต้องบอกว่าชินแล้วแต่ว่าบางครั้งก็ยังแอบกลัวอยู่นะคะตลอดเวลาเกือบ2ปีค่ะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเลยเหมือนมีคนอยู่ด้วยทั้งทั้ ง, ท, งที่อยู่ตัวคนเดียว และที่บ้านกับหมาชอบเห่าตรงมุมห้องของที่นอนมุมนั้นเนี่ยคือมุมเดียวจริงๆเลยนะห้องนั้นห้องเดียวด้วยตลอดระยะเวลา เ, ลาเกือบ2ปีคือเห่าทุกวันค่ะแล้วก็ต้องเป็นเฉพาะตอนอยู่คนเดียวจนก่อนที่จะย้ายออกนะคะก็ยืนล้างจานอยู่ในครัวซึ่งน่ากลัวมากด้านหลังติดกับห้องครัวเป็นห้องเก็บของที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูคนเดียวนอกจากแฟนนะคะขณะที่ยืนล้างจานอยู่ก็ได้ยินเสียงมีใครเรียกชื่อบอกเอิน เอินอยู่ข้างหู่ะก็ตกใจสะดุง้งเพราะว่ามันอยู่ข้างหูนี่เองคือสามารถรู้สึกได้เลยว่ามันมันไม่ได้ดังมาจากข้างนอกหรือว่าดังมาจากที่อื่นคือมันดังอยู่ข้างหลัง ข้างหูเราก็ไม่ได้ขานรับนะคือจากนั้นมาก็ย้ายออกเลยค่ะจากนั้นพอย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่เรียบร้อยแฟนก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขากลับบอกเราว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ย เขารู้สึกว่าเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยนอกเหนือจากเวลาที่เขาอยู่ในบ้านเรารู้สึกถึงสายตาะะที่จ้องมองตลอดเวลาเขาบอกว่าไม่อยากเล่าให้เราฟังเพราะก็กลัวว่าคนอื่นนี่จะกลัวหรือไม่สบายใจแล้วก็ขอยืนยันนะคะว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่อง จริงนะคะที่เจออาจจาะหลอนกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้แบบเจอเป็นตัวจังๆอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณคุณเอิญด้วยกับประสบการณ์ที่เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะคุณอมรอพันธุ์เล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องป่าช้าร้างอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เจอกับตัวเองเลยนะคะซึ่งบ้านของคุณอมรเนี่ยอยู่ที่ซอยเสนาถึงวังหินแล้วก็เลี้ยวขวาไปค่ะก่อนถึงแยกเสือใหญ่ พ่อแม่อยู่ที่นั่นมา20กว่าปีแล้วเมื่อเด็กๆ ก, ก็เคยพาไปเยี่ยมอ่าพาไปกับพี่ชายนี่คือพาไปเที่ยวแดนเนรมิตอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าจะอยู่ใกล้กันมากเด็กก็ชอบสิคะแล้วมันก็จะมีถ้าผีสิงกันไม่เคยนึกเลยว่าจะมาเจอของจริงตอนโตเรื่องของเรื่องคือเมื่อเดือนก่อนคะ่ะพวกเพื่อนๆ เ, เนี่ยไปร่วมงานในวิทามหาวิทยาลัยเอกชนก็ชวนกันไปเที่ยวที่พัทยาเพราะว่ามีวันหยุดยาวด้วย พอดิบพอดีกันเลยค่ะกับพ่อแม่ก็ชวนไปเที่ยวภาคเหนือไปกับเพื่อนๆเหมือนกันแต่คุณอมรเ น, นี่ยก็ปฏิเสธหมดอยากพักผ่อนร่างกายแล้วก็จิตใจก็เลยอยู่กับบ้านมากกว่านะคะคืนแรกนั่นเองค่ะขณะที่นอนดูทีวีบนโซฟาสบายๆก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้คุณอมรอบอกว่าดิฉันอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดก็จริงแต่ยังไม่เคยนอนคนเดียวในบ้านนี้สักคืนเลยคืนนี้เป็นคืนแรกในชีวิต อยู่ๆไฟฟ้าก็ดับวูบลงค่ะมืดสนิทอุทานออกมาแบบลืมตัวนึกถึงฝนฟ้าที่ดังขนองมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแต่ไม่ทันเฉลียวใจก็พยายามนึกนึกถึงเทียนไขกับไม้ขีดที่คุณแม่เตรียมไว้ว่ามันอยู่ที่ลิ้นชักตู้เก็บของหรือจะอยู่ข้างเครื่องเล่นดีวีดีใต้โต๊ะวางทีวีนี่แหละก็ไม่แน่ใจทันใดนั้นเองนะคะแสงไฟก็สว่างพรึบขึ้นตามเดิม โล่งอกนะคะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยก็อยู่มานานเต็มทีแล้วเนาะบ้านเรือนติดๆดกันทั้งนั้นประตูรั้วก็แข็งแรงประตูบ้านแน่นหนาหน้าต่างมีเหล็กดัดทุกบานหัวขโมยเนี่ยอย่าหวังว่าจะไขด้านนอกเข้าบ้านเราได้สะดวกถ้าเกิดไฟไหม้แต่ว่าคนสติดีๆนะก็สามารถเปิดออกไปได้นะคะทีนี้มันมีเสียงหน้าต่างกระแทกดังปั้งเลยนะคะเล่นเอาสะดุ้งเฮือกหันไปมองก็เห็นเปิดกว้างเป็นปกติ แต่มีเสียงเดิมดังขึ้นอีกค่ะคราวนี้ก็เลยแน่ใจว่าเออเสียงนั้นเนี่ยมันดังมาจากชั้นบนนี่ชั้นบนมันไม่มีใครอยู่เอ๊ะชักยังไงก็เลยมองหน้าขึ้นค่ะแสงสว่างก็ยังมีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทีวีดังลั่นจนเพ่นพลวดขึ้นนั่งเลยคือมองหารีโมทก็วางอยู่ใกล้ๆเออาจจะไปโดนปุ่มวนลุ่มโดนไม่รู้ตัวอก็เป็นได้เหมือนกันกำลังจะเอนตัวลงนอนให้สบายดูหนังจากเคเบิลทีวีนี่่อะ เสียงทีวีกลับเบาวูบลงเฉยๆแทบไม่ได้ยินแต่นั่นกลับทำให้เสียงอย่างอื่นดังชัดเจนขึ้นนะคะจนใจหายนั่นคือเสียงประตูค่ะประตูเปิดปิดไม่ถึงกับรุนแรงนะแต่ก็ดังเข้ามาในหูอย่างชัดเจนนอกจากประตูจะเปิดปิดแล้วคุณผู้ฟังคุณอมรบอกว่า มีเสียงคนเดินด้วยเอาละสีงานนี้นอกจากลมครวนครางอยู่ภายนอกแล้วสับพสิ่งเงียบกริบจนหน้าใจหายรถราแทบจะไม่ดังแว่วมาเลยแม้แต่คันเดียวค่ะแต่ว่าเสียงคนเดินกระดานลั่นเ e อียดอาดดังอยู่ข้างบนเนี่ยมันแน่นอนเลยจนต้องแหงนหน้ามองตามไป ท, ทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีนั่นก็ห้องพ่อแม่นั่นก็ห้องเราเองซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะออกมาหน้าห้องแล้วกระดานก็ลั่นเอียดเอียดมาตรงบันไดค่ะ เหมือนจะลงมาข้างล่างหัวใจก็เต้นโครมครามแล้วค่ะราวกับมีกลองมารวัวอ้าปากทางตาเบิกโพลงจ้องมองที่บันไดแต่ก็ไม่มีเสียงบันไดลั่นนอกจากเสียงถอนใจยืดยาวหรือว่าจะเป็นลมพัดเข้ามาคุณอมรบอกเอหรือว่าเราอุปท า, านไปเองหวาดกลัวไปเองเพราะว่าเป็นคืนแรกที่นอนอยู่บ้านเพียงคนเดียวและบ้านนี้มีอะไรตั้งแต่ปลูกมายังไม่มีใครตายสักคนนี้นาะหรือว่า พอคิดว่าหรือว่าเท่านั้นแหละค่ะคนลุกเกลียวทั้งตัวเลยเมื่อนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งที่นึกขึ้นมาได้คือเรื่องที่ชาวบ้านล่ำลือกันค่ะว่าบริเวณที่สร้างบ้านตรงนี้เนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่าแล้วก็เป็นป่าช้าแขกที่ผีดุมากมีอาถรรพ์หน้าขนหัวลุกหลายอย่างค่ะเช่นคนเคยโดนผีหลอกจนจับไข้หัวโกรนมาแล้วก็มีบางคนเนี่ยล้มเจ็บปางตายก็มี ต่อมานะคะบ้านเรือนเริ่มหนาแน่นขึ้นร้านค้าแล้วก็รถเข็นแผงลอยผุดสะพรั่งเรื่องพูดผีปีศาจก็เลยค่อยๆซาไปแต่น่าสังเกตนะว่าร้านขายอาหารขนาดใหญ่นี่จะขาดทุนย่อยยับเลยซึ่งเชื่อกันค่ะว่าปลูกทับกลางตาช้าพอดีอย่างที่ถือกันว่าห้ามปลูกเรือนคล่อมต่อ น, นั่นแหละนะคะราวสิบปีก่อน มันมีร้านซุกี้ใหญ่โตมาตั้งที่นั่นไม่นานก็ต้องปิดเพราะว่าขาดลูกค้าเจ้าของเดิมก็ให้เช่าทำร้านเนื้อย่างเกาหลีรายนี้อยู่ได้ปีเศษก็ยอมแพ้ก็ต้องเลิกกิจการไปจนได้ค่ะแล้วทำไมบ้านของคุณอมรไม่เคยพบเหตุการณ์สยองขวัญต่างๆมาก่อนสุดจะรู้นะคะซึ่งตอนนั้นคุณอมรบอก กำลังนั่งอกสั่นขวัญแขวนอยู่คนเดียวแทบจะร้องไห้นึกเจ็บใจตัวเองที่ไม่ไปเที่ยวกับเพื่อ น, อนหรือไม่ไปกับพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องมานั่งขวัญห น, นีดีฝฟรคนเดียวแบบนี้ในที่สุดนะคะก็ตัดสินใจสวดมนต์ไหว้พระไม่กล้าขึ้นไปนอนชั้นบนอาศัยหลบภัยอยู่ที่โซฟาหน้าทีวีนี่แหละนะคะมีอะไรจุนตัวจะได้รีบเผ็นออกจากบ้านทันทีพอรุ่งเช้าก็เลยแข็งใจขึ้นไปสำรวจชั้นบนก็พบว่าทุกอย่างปกติดีนะคะ ไม่มีร่องรอยว่าจะมีโจรผู้ร้ายขึ้นบ้านแต่คุณอมรค่ะเก็บเสื้อผ้าใส่กุญแจบ้านและรั้วอย่างดีรีบบึ่งไปอาศัยบ้านเพื่อนนอนก่อนพ่อแม่จะกลับบ้านไม่อยากหัวใจวายตายนะคะ ขอบคุณคุณอมรด้วยนะคะกับเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าใครที่เจอประสบการณ์นะคะสามารถที่จะส่งมาให้เราเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันได้ค่ะทาง Facebook Fanpage นะคะพระเจอผีที่โชว์อยู่หน้าปกนะคะใส่เครื่องหมายแอดนำหน้าก่อนแล้วก็ตามด้วย p r a j e r แล้วก็ตัว p W e นะคะ